วันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านบุคมอีกครั้งหนึ่งผมเคยมาที่บ้านบุคมนี้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับมาพร้อมกับหลวงพ่อเทียนนะฮะแล็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมีโอกาสมาที่บ้านบุคมซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ไดมาถึงบ้านเกิดของ หลวงพ่อเทียนนะฮะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งผมเคารพอย่างสูงสุดนะครับเมื่อผมเดินทางมาถึงบ้านบุหมแล้วก็ได้มาพบกับหลวงพ่อเทียนจิตสุโพที่นี่ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมถือว่าที่บ้านบุหมนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของหลวงพ่อเทียนนะฮะนันเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะ แล้วก็พวกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่กรุงเทพหรือว่าที่จังหวัดอื่นๆก็ตามนะฮะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเดินทางมาดูสถานที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดมวงรรคของหลวงพ่อเทียนด้วยกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าพวกเราซึ่งเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวบุโคมเนี่ยควรจะรู้สึกภูมิใจนะที่เราเป็นเพื่อนบ้านนะฮะหรือว่าเป็นพี่น้องกับหลวงพ่อเทียนนะครับ เมื่อพูดถึงท่านหลวงพ่อเทียนจิตสุโพแล้วนะครับทําให้ผมนึกไปถึงอาจารย์ทางธรรมะที่มีความสําคัญยิ่งองค์หนึ่งในประเทศจีนเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วนะอาจารย์ทางธรรมะที่มีความสําคัญยิ่งองค์นั้นได้แก่ท่านไว่หลางหรือว่าคุยเนงผมเคยอ่านเคยศึกษาชีวประวัติแล ะ, ะคําสอนของท่าน เวลาย์หรือท่านหุยเน้งในเมืองจีนเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะแล้วก็เมื่อได้มาศึกษาถึงชีวประวัติและก็คำสอนของหลวงพ่อเทียนจิตตพุสุโภของพวกเราทำให้ผมรู้สึกมีความอัศจรรย์ใจที่ว่าทั้งชีวิตและคำสอนของท่านทั้งสอง น, นี้แม้ว่าเวลาจะห่างกันประมาณพันกว่าปีก็ตามเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันมาก อย่างแทบไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ผมจะลองลำดับเท่าที่ผมจะเมตได้นะครับว่าชีวิตและธรรมะของท่านทั้งสองนี้เหมือนกันอย่างไรประการที่หนึ่งนะครับท่านเว่ยหลางซึ่งเกิดในเมืองจีนเมื่อพันสองร้อยกว่าปีที่แล้วท่านเป็นคนชนบทเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือมาก่อนท่านเกิดในมณฑลกวางตุง้ง แล้วก็เกิดอยู่ในหมู่บ้านเล็ ก, ลกๆคล้ายๆที่บ้านบุคโคมนี้แหละและท่านไม่รู้หนังสือที่ความที่ท่านเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าทําให้คําสอนหรือว่าวิธีคิดวิธีแสดงธรรมของท่านนั้นเป็นอิสระจากตําราทั้งหลายจากคมภีร์ทั้งหลายความที่ท่านไม่รู้หนังสือเนี่ยทำให้ท่านไม่เคยอ่านคมภีร์ไม่เคยอ่านตํารางั้นท่านแสดงออกมาจากใจ ธรรมะจากใจจริงของท่านท่านรู้อย่างไรท่านก็นแสดงออกมาอย่างนั้นจึงเป็นธรรมะที่มีชีวิตชีวา <c oughs> เป็นธรรมะที่ออกมาจากใจแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ใจของผู้ฟัง <c oughs> หรือว่าลูกศิษย์ลูกหา <c oughs> เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ไม่รู้หนังสือแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลเนี่ยประเด็นนี้ผมนึกมาถึงท่านหลวงพ่อนีหลวงพ่อเทียนของเราท่านพูดอยู่เสมอว่าเมื่อก่อนนั้นท่านไม่รู้หนังสือ แล้วก็ท่านก็เกิดที่บุคโฮมท่านก็เติบโตแล้วก็ทำมาหากินอยู่ที่บ้านบุคโฮมนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นความที่หลวงพ่อเทียนเราไม่รู้หนังสือนะครับซึ่งคล้ายๆกับท่านเว้ยหลางเนี่ยทําให้ในสมัยต่อมาหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วเนี่ยท่านสามารถพูดธรรมะออกมาซึ่งไม่ต้องอิงตําราไม่ต้องอิงคัมภีร์ไม่ต้องอิงพระไตรปิฎก เป็นธรรมะซึ่งออกมาจากใจของท่านจริงๆนะครับจึงเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ทีนี้ประการที่สองนะครับในชีวประวัติของท่านวัยลางกับหลวงพ่อเทียนนั้นท่านทั้งสองรู้ธรรมะในขณะที่เป็นคลาวาสครับรู้ธรรมะในขณะที่เป็นคลาวาสท่านวัยหลางนั้น ได้ติดตามพระสังฆราชในสมัยนั้นไปฝึกบาเพ็ญสมาธิภาวนากับพระสังฆปรินายกองที่ห้านะแล้วก็ท่านขณะที่ท่านรู้ธรรมะนั้นท่านยังเป็นคาววชท่านเป็นคนตำข้าวให้กับวัดยังไม่ได้บวชแล้วก็ในที่สุดท่านก็ได้รู้ธรรมะจนถึงที่สุดดับทุกข์ได้สนิท งั้ท่านรู้ธรรมะถึงขั้นสูงสุดนั้นในขณะที่ท่านยังเป็นคนครัวของวัดแห่งหนึ่งอยู่และหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้บวชท่านก็ยังครองชีวิตเป็นคารวะเช่นนั้นต่อไปอีกถึง15ปีอีกถึง15ปีหลังจากนั้นจึงได้บวชเพราะฉะนั้นการที่ท่านวิ่ลางสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะที่สูงสุดในขณะที่ยังเป็นคารวะอยู่นี้ถือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ ถือเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมกําลังใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ที่เป็นค้ารวาสขา้หัดทั้งหลายนะให้มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งสากลไม่จํากัดอยู่ในเพศไม่ว่าจะบรรพชิตหรือค้ารวาสก็สามารถรู้ธรรมะถึงที่สุดได้เช่นเดียวกันและไม่จํากัดอยู่กับวัยท่านเวลายังรู้ธรรมะขณะนั้นอายุเพียง ยี่สิบกว่าปีเท่านั้นท่านก็สามารถรู้ถึงที่สุดของทุกไม่จํากัดไวยแล้วก็ไม่จํากัดว่าเป็นหญิงหรือชายแล้วก็ไม่จํากัดความรู้ด้วยจะไม่รู้หนังสือก็สามารถรู้ธรรมะได้จนถึงที่สุดจะรู้หนังสือก็ถ้าปฏิบัติเต็มที่ก็สามารถรู้ถึงที่สุดได้เช่นเดียวกันหันมาลองดูชีวิตของท่านหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเทียนของเรา ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านรู้ธรรมะในขณะที่ท่านยังเป็นคาวาสเป็นโยมตอนนั้นท่านอายุได้46ปีนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งสําหรับท่านหลวงพ่อเทียนนั้นก็คือว่าท่านค้นพบธรรมะนี้ด้วยตัวของท่านเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์องค์ก่อนๆซึ่งเคยสั่งสอนท่านนั้น ก็สอนแนวทางอื่นแล้วก็ท่านปฏิบัติตามกระทั่งท่านมาค้นพบวิธีเคลื่อนไหวแล้วก็กระทั่งรู้รูปนามแล้วก็รู้ปรมัตดรู้อะไรต่างๆไปจนกระทั่งถึงรู้อาการเกิดดับนั้นท่านค้นพบด้วยตัวขงท่านเองในขณะที่ท่านยังเป็นคลารวาสแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนุ่งกันเกงขาสั้นยังเป็นโยมอยู่แล้วก็การรู้ธรรมะของท่านนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วภายในเวลา เพียงไม่กี่วันท่านก็รู้ถึงที่สุดของทุก์แล้วหลังจากนั้นท่านก็มีเมตตาท่านเล่าให้ฟังนะครับ อ, อันนี้พ่อแม่พี่น้องที่บุคคมคงจะรู้ดีกว่าผมว่าหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วเนี่ยท่านก็ได้พยายามแนะนําญาติพี่น้องแนะนําเพื่อนแนะนํามิตรสหายแนะนําเพื่อนบ้านให้ปฏิบัติธรรมะอันนี้เพื่อให้รู้อย่างท่านบ้างแต่ท่านเล่าให้ฟังว่า ท่านได้พยายามสั่งสอนธรรมะในตอนที่ท่านยังเป็นโยมเป็นฆราวาสอยู่นั้นประมาณสองปีด้วยกันบอกว่าไม่ค่อยได้ผลดีเท่าใดนะเพราะว่าชาวบ้านไม่ค่อยเชื่อเพราะชาวบ้านติดในรูปแบบว่าจะต้องเป็นพระถึงจะเชื่อฟังเป็นฆราวาสเป็นโยมก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทั้งท่านเวลานหลวงพ่อเทียนนั้นรู้ธรรมะ ถึงที่สุดของทุก์ในขณะที่เป็นคารวาส ด, ด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ผมถือว่าเป็นกำลังใจอย่างสําคัญสําหรับพวกเราซึ่งยังไม่ได้บวชเป็นพระหรือว่าชีว่าเราก็สามารถถ้าหากว่าตั้งใจจริงเราก็สามารถรู้ธรรมะถึงที่สุดได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ประการที่สามนะครับท่านทั้งสองคือท่านเว้ยหลางกับหลวงพ่อเทียนนั้น ได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นการบวชจุดมุ่งหมายการบวชของท่านทั้งสองนั้นไม่ใช่บวชเพื่อสแสวงหาธรรมะแต่บวชเพื่อที่จะประกาศธรรมะจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับท่านเว้หลางนั้นหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วท่านก็ได้หลบไปซ่อนตัวอยู่กับพรานป่าเป็นเวลาถึงสิบห้าปี เพราะว่ามีคนอิจฉาริษยาท่านแม้แต่ว่าผู้ที่มีธรรมะสูงสุดแล้วก็ยังไม่วายที่จะมีคนอิจฉาริษยาท่านนะเพราะว่าท่านได้บาตรและจีวรจากสังฆราชไปเวลาขณะนั้นนะตอนที่ท่านรู้ธรรมะแล้วเนี่ยพระสังฆราชในสมัยนั้นเนี่ยได้มอบบาตรและจีวรเนี่ยคล้ายลมอบตำแหน่งพระสังฆราชให้ทั้งทั้งที่ท่านยังเป็นขลาชอยู่ทีนี้ก็มีคนคนอื่นก็อิจฉา จะตามมาทำร้ายท่านท่านก็หลบซ่อนตัวไปอยู่กับพลานป่าถึงสิบห้าปีแล้วหลังจากที่เวลาผ่านไปเรื่องราวต่างๆเงียบหายไปแล้วนะท่านจึงออกมาสู่สังคมภายนอกและประกาศธรรมะและในที่สุดท่านก็ได้บวชท่านได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้เป็นพระสังฆราชองค์ที่หกประกาศธรรมะสั่งสอนธรรมะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหา เป็นบ้านเต็มเมืองในประเทศจีนเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายการบวชของท่านมิได้แสวงหาธรรมะแต่ว่าท่านบวชเพื่อที่จะประกาศธรรมะทีนี้ลองหันมาดูออหลวงพ่อเทียนจิตสุโพของเรานะครับท่านบวชเมื่อประมาณอายุสี่สิบแปดปีท่านรู้ธรรมะเมื่ออายุสี่สิบหกแต่ว่าพยายามสั่งสอนในขณะที่ยังเป็นโยมอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเชื่อไม่ค่อยมีใครฟัง เพราะว่าไปติดรูปแบบก็จะต้องเป็นฆ่าถึงจะรู้ธรรมะเป็นโยมรู้ธรรมะไม่ได้ชาวบ้านไปติดในรูปแบบมากเกินไปนะทํำให้ท่านไม่สะดวกในการที่จะสั่งสอนอบรมธรรมะกับคนอื่นๆะในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชท่านบวชนั้นท่านไม่ได้บวชเพื่อสแสวงหาธรรมะอีกต่อไปนะเพราะว่าท่านรู้ธรรมะถึงที่สุดแล้วแต่ว่าท่านบวชเพื่อที่จะเป็น ขนทางให้ชาวบ้านเกิดความศรัท ธ, ธาเลื่อมใสและก็เพื่อให้เกิดความสะดวกเพื่อที่จะประกาศธรรมะนั้นท่านบวชจึงบวชเพื่อประกาศธรรมะโดยอาศัยความเมตตาชาวบ้านญาติพี่น้องหรือว่าบุคคลอื่นๆว่าเมื่อท่านได้สวมผ้าเหลืองแล้วเนี่ยชาวบ้านหรือว่าคนทั่วๆไปก็จะเชื่อฟังท่านแล้วก็ปฏิบัติตามท่านแล้วก็จะได้รับประโยชน์ ได้รับประโยชน์จากธรรมะของท่านนั้นท่านบวชนั้นบวช ด, ด้วยความเมตตาเผื่อต้องการเผื่อแผ่ธรรมะนี้ให้แก่คนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วการบวชของท่านนั้นจึงบวชเพื่อที่จะประกาศธรรมะเพราะว่าท่านบวชหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วนั้นชีวิตของท่านว้ยหลานกับหลวงพ่อเทียนคล้ายกันอย่างยิ่งเลยนะอีกในจุดนี้นะครับทีนี้ประการที่สี่นะครับเท่าที่ผมอ่านชีวประวัติของ ว่ยลางแล้วก็เท่าที่หลวงพ่อได้เล่าชีวประวัติของท่านให้ฟังในตอนที่ท่านรู้ธรรมะนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งคือมีทหารคนหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าท่านว่ายลางในประเทศจีนนะครับมีทหารคนหนึ่งต้องการจะมาทำร้ายท่านเพราะว่านึกอิจฉาวิสยาที่ท่านได้ตาแหน่งพระสังฆราชองค์ที่หกไป ก็อุตส่าห์ปลอมตัวปลอมตัวมาบวชเป็นพระแล้วก็ตามเพื่อที่จะมาแย่งเอาบาตรและจีวรจากท่านเวหลงังพระภิกษุรูปนี้ชื่อภิกษุไวยมิงคือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นพระแต่ว่าตั้งใจบวชมาเพื่อที่จะมาแย่งชิงจีวรกับบาตรท่านั้นเองต้องการแย่งชิงตําแหน่งเนี้ยทีนี้เหลังจากที่มาพบกับท่านเวหลังแล้วเนี่ยท่านเวหลังได้สั่งสอนธรรมะให้ จนกระทั่งภิกษุวัยมีงเนี่ยเกิดกลับใจกลับใจและวก็สารภาพลงกราบก้มลงกราบท่านเวลาและสารภาพว่าที่ตา ม, มาเนี่ยเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะมาปัทุสรายจะมาแย่งบาตรและจีวรจะมาแย่งตําแหน่งพระสังฆราชจากท่านเวฬาล่ะแต่ครั้นได้ยินได้ฟังธรรมะที่ซึ่งท่านเวลาสั่งสอนแล้วเนี่ยก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและสํานึกผิดในการกระทําของตัวก็เลยสารภาพ ท่านเวลานก็ให้อภัยแล้วหลังจากนั้นภิกษุวัยมีงก็เกิดดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพุทธศาสนาต่อไปประเด็นนี้นะครับคล้ายๆกับชีวประวัติตอนหนึ่งของหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็สั่งสอนธรรมะอยู่นั้นก็เกิดมีการล่ำเบือไปว่าท่านสอนธรรมะที่ท่านสอนนั้น ผิดแปลกไปจากประเพณีจากธรรมเนียมต่างๆซึ่งคนเฒ่าคนแก่เคยสั่งสอนกันมาก็นเลยกันไปว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีนายตำรวจคนหนึ่งอุตสาปลอมตัวปลอมตัวมาบวชเหมือนกันบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็เพื่อที่จะมาเฝ้าหลวงพ่อเทียนเนี่ยอย่างใกล้ชิดดูซิว่าเป็นมีพฤติกรรมเป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่เขาเล่าหรือจริงหรือเปล่า แล้วกับพระองค์นี้เนี่ยในตำรวจคนนี้นซึ่งปลอมตัวบวชเป็นพระมาเนี่ยเพื่อที่จะจับผิดหลวงพ่อเนี่ยได้อยู่กับหลวงพ่อมานานพอสมควรอยู่ว่างๆหลวงพ่อก็สอนให้พลิกมือให้สร้างจังหวะในตำรวจคนนั้นก็อยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็พลิกมือปฏิบัติไปปฏิบัติไปในที่สุดก็เกิดรู้รูปนานรู้ธรรมะอย่างที่หลวงพ่อได้แนะวิธีให้ก็เกิดความสํานึกผิด ว่าบุคคลซึ้นตัวเองกําลังติดตามอยู่นี้เนี่ยนะเป็นพระอริยะไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่ชาวบ้านเขาร่ำเรือกันในที่สุดนายตํารวจคนนี้ก็ก้มลงกราบหลวงพอ่อแล้วก็สารภาพผิดว่าที่บวชมาและติดตามมาเนี่ยต้องการจะจับผิดจะจับหลวงพ่อเข้าคุกแต่ว่าด้วยอนุภาพของธรรมะซึ่งหลวงพ่อท่านได้เมตตาสั่งสอนให้ทําให้ในายตำรวจคนนั้นสํานึกผิดแล้วก็ ในที่สุดก็เลิกติดตามแล้วก็มอบตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนไปอันนี้เป็นเกดประวัติของท่านเวหลางซึ่งเป็นพระสังฆปรินายกตำแหน่งเหมือนกับพระสังฆราชของไทยนะองค์ที่หกในประเทศจีนเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะกับหลวงพ่อเทียนจิตสุโพของพวกเราชาวบุหม์ซึ่งมีความละไม้คล้ายคลยงกันมากทีนี้ในแง่าคาสอนนั้นเท่าที่ผมศึกษาดูนะครับ ท่านไวไหลางนั้นผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับคําสอนท่านไวไหร่ลางหลายครั้งด้วยกันและในที่สุดผมจับสาระสําคัญได้ว่าท่านเวไหร่ลางนั้นท่านปฏิเสธวิธีการทําสมาธิแบบหลับตาครับแบบนั่งนิ่งแล้วก็ภาวนาหลับตาเนี่ยท่านปฏิเสธไว้มีข้อความหลายตอนทีเดียวในหนังสือสูตรของไวไหล่ลาง ท่านกล่าวตำหนิติเตียนว่าอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่นำไปสู่ความสงบแบบไม่รู้ตัวแบบไม่รู้ตัวสมาธิที่ให้นั่งนิ่งสงบหลับตานั้นเป็นแบบสมถกรรมฐานนะสงบแบบไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อผมมาศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อเทียนกิตสุโภแล้วเนี่ยท่านสอนสิ่งเดียวกันเลยครับท่านบอกว่าท่าน ภาวนาพุโทโธท่านก็นทำมาแล้วเพ่งดวงแก้วภาวนาสัมมาอรหังท่านก็นทำมาแล้วนะนับหนึ่งถึงสิบท่านก็นทำมาแล้วดูลมหายใจเข้าออกอยาบละเอียดท่านก็นทำมาแล้วไม่บังเกิดผลยุบหนอพองหนอท่านก็นทำมาแล้วบอกสิ่งเหล่านั้นนำไปสู่ความสงบสงบแบบนิ่งสงบแบบสมถกรรมฐานไม่เกิดปัญญาแต่อย่างใดสงบแบบ ไปสู่ความนิ่งเฉยจนกระทั่งในทสุดท่านได้ทดลองวิธีการเคลื่อนไหวพลิกมือโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตาพลิกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมและในทสุดท่านก็รู้ธรรมะขึ้นมาด้วยสมาธิแบบเคลื่อนไหวนี้เพราะฉะนั้นคําสอนของท่านไวไารกับหลวงพเทียนั้นคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งท่านเวไาร่ั้นท่านก็สอนสมาธิแบบเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันผมไปพบ ฟุตโนตเชิงอัดในหนังสือของเว่ยหลางนะครับบอกว่าสมาธินั้นจะต้องดำรงอยู่ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่คือยือนเดินนั่งนอนคือทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเนี่ยจะต้องมีสมาธิอยู่ด้วยแล้วก็จะต้องเป็นสมาธิที่เคลื่อนไหวจะต้องไม่หยุดนิ่งเป็นคําสอนของพระสังฆราชองค์ที่หกในประเทศจีนกับหลวงพ่อเทียนจิตสุโพของเรานั้น ใกล้เคียงกันอย่างยิ่งหรืออาจจะพูดได้ว่าตรงกันนะครับในประเด็นที่ว่าทั้งสองท่านนี้ไม่ส่งเสริมการทําสมาธิแบบหลับตาแบบนั่งนิ่งเพราะว่าเป็นสมาธิที่นําไปสู่ความสงบแล้วไม่เกิดปัญญานะไม่สามารถนําไปสู่ความพ้นทิพย์ได้นะฮะท่านเวลานก็กล่าวตำหนิติเตียนเอาไว้เช่นนั้นว่าผู้ที่ นอกจากจะไม่รู้ธรรมะจริงแล้วยังเที่ยวสั่งสอนคนอื่นอย่างผิดๆนี้เป็นการทําบาปให้กับคนอื่นในหนังสือสูตรของเวทหลางได้กล่าวไว้เช่นนั้นและนอกจากนั้นในคําสอนของท่านเวทหลางนั้นท่านก็ไม่ให้ยึดติดในเรื่องของศีลไม่ให้ยึดติดในสมาธิแบบหลับตา ซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะผมเห็นว่าเป็นคําสอนซึ่งใกล้เคียงกับออของหลวงพ่อเทียนจิตสุโพอย่างยิ่งนะครับผมเห็นว่าท่านเว้ยหลางนั้นเปรียบประดุจเป็นเพชรมณีซึ่งมีค่ายิ่งของประเทศจีนเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเวลานี้ผมเห็นว่าเพชรมณีอันมีค่ายิ่งนั้นมาอยู่ในประเทศไทยแล้วแล้วก็ถือกําเนิด ขึ้นมาในบ้านบุคโฮมนี้เองผมจึงรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาที่บ้านบุคโฮมแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายในบ้านบุคโฮมนี้ที่เพชรมณีดวงเอกในพุทธศาสนานั้นได้เกิดขึ้นที่นี่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยกันรักษาเพชรมณีดวงนี้และก็ธรรมะอันมีคุณค่านี้ไว้ให้อยู่กับบ้านบุคโฮม เป็นประทศที่จะส่องสว่างไปในจิตใจของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเราต่อๆไป